3a น้อยกว่า 4 a เป็นอะไรได้บ้างน้อง a a เป็น 2 ได้มั้ย 130 เป็น 6 นี่ครับเป็น 1 เป็น 0 ได้ได้นะครับก็ a ดูนะครับไม่ได้ไม่ได้คือมันแถมต่อ 3D นะ 3D น้อย 3D นะครับเพราะฉะนั้นเป็น 0 ใช่ 0 1 2 ไปเรื่อย เติมครับโอเคครับ 2B คือต้องการว่าเป็น 4 ออโต้มาใส่ให้ก่อนชั้น B เลข 4 นะครับ 2D 2B ก็ 8 เนาะ 8 มาก 4D หรือ 4B น้อย 2D เพราะ B เป็นเป็น 2 ได้มั้ยไม่ได้ 3 1 0 1 ไปเรื่อยๆครับนี่เนาะครับครับพอได้ 4B เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้น a ตัว a ตัว a มันอยู่ในละ a รถก็จะ 1 0 1 ใช่มั้ย a ตัวนี้ 0 a จะ 0 ลบ 2 เพราะฉะนั้น a เป็น 1 ได้แล้วนะครับคือคือถึงไหน r ก็ r ก็เป็นตั้ง -2, 0, ะ, 2>, ะ, 1, 2 -3 ไปเรื่อยๆครับเหมือน มากกว่า 4b ต้องเปลี่ยนปั้นต้องเปลี่ยนถ้า a เป็น 0 1 b b ก็ถ้า a นะ a เป็น 0 -1 -2 ตัวนี้ a เป็น 0 -2 นะ b เป็น a เป็น -1 ไปด้วยใช่มั้ยครับอย่างงี้ได้ b ยังไงไม่ 2 ดีอยู่แล้วใช่ a คือ 0 -1 -2 a คือ 0 -1 -2 นะครับ b ก็ต้องเป็นได้แค่เพียง -1 -2 -3 ยังไง 4 -1 มันต้องน้อย 2 มีอยู่แล้วได้ทีแล้วนะได้แค่นี้แล้วครับ 3 Q. 3 Q. มากก า. 3 มากกว่า 10 a 3 3 เป็นเป็น 1 1> 3 ข้อ 1 มากกว่ามากกว่ามั้ยครับ a, a เป็นเป 1 2 3 4 อย่างนี้นะเป a, a เป็น 0 ได้มั้ยไม่ได้ต้องเป็นตั้งแต่ 1>, <Q S 2> เปได 1 2 3 4 5 q มากกว่า r เป็นใช่มั้ยจริงเพราะ q เป็น 1 2 3 4 ข้อ 2. 2 d มาก 3r d มากกว่า 3r d คือ 4 d คือ 4 r คือ r คือ -1 -2 -3 3r ถูกต้องถูก 1 เป็น 2 กรณี นะท่านรู้ดู 1 นะครับดูข้อ นะ. นะ q มากกว่า r เขียนตรงนี้ ข้อที่ 1 นะ Q มากกว่า R ข้อ 2 D มีมากกว่า 3 มากกว่า 3 R ใช่ D คือ 4 เนาะโอเค R คือ R เป็นลบ -1 ลดลบเรื่อยๆครับ -2 -4 ลดลงเรื่อย ต่อไปดีมากกว่า 3 อ่านเป็นจริงดูข้อที่ 2 ดี 3 Q ลองดีน้อยกว่า 3 Q ใช่มั้ยดีครับดี 4 3 Q 3 Q 1 2>, <6. S> 1 2 3 แสดงว่าครับ <c oughs> <c oughs> ว่าอะไรครับ Q เป็นไดเปได 1 ได้มั้ย 3 1 เป็น 3 เห็นมั้ยครับแสดงว่ามีทั้งน้อยกว่าและ CA มาก CA มาก CA A คือ A คือ 0 1 2 A คือ 0 1 2 CA นะ มากกว่าดีมีมั้ยไม่มีเลยเพราะ 4 0 ได้ 0 4 -1 ได้ -4 4 -2 ได้ -8 เพราะฉะนั้นข้อ 1 ไม่ครับข้อสุดที่ไม 2 ไม่จริงตอบข้องงูโอเคคือ 2d 4d มันก็เหมือนว่าอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาดูกันมาอย่าง 61 ครับหน้า 61 นะครับวิชาเสรีข้อสอบ 1 ตอบงู 50 ฉบับ 18 ข้อ 2 คณะ 19 คนโปรไฟล์ ข้อที่ 3 บุคคลตามข้อใดสามารถได้ไร้ความสามารถอ่าเดี๋ยวไม่ได้สมาชิก 500 คนลง 150 คน ข้อที่ 6 ครับผู้ลงนามรับสนองพระปี 50 นี่คือประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติงงงแต่ถ้าเป็นฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 มันจะเป็น ข้อที่ 8 ผู้มีหน้าที่นำร่างพระ 125 คนข้อ 10 ผู้ที่ใช้ข ขอไข่ครับ 90 วันนับ คร, คร 12 ครับตอบก13 ยุบสภาเพื่อแทนรัฐธรรมนูญต้องมีเลือกตั้งใหม่ภายในวันแต่ข้อ 14 ครับอันนี้คือสิ้นสุดตาม 16 ครับรัฐสภามี 150 คนขอ 17 ต้อง 5 ครับแนวอธิบายพื้นแห่งรัฐต่อไปนะครับไปใช้ 18 ครับตอบขอไข่ครับสมัยการประชุมของรัฐสภามีคร 19 ครับสมัยเวลา 120 วันครับสมัย 20 การเปิดติดประชุมต้องทําเป็นราชอภิราชกิจศึกษานิกาของภาย 1 พรบ. ระระระระระระระระเบียบระ 3 ลักษณะ ข้อที่ 2 ครับท่านโดยดีนะข้อที่ 2 ครับการรวมอํานาจศาสนิกเป็นว่าไง 2 นะครับการบริหารจัดการแผ่น ที่ 3 ครับการจัดตั้ง 4 ยุบสำนักกระทรวงหรือกรมต้องเป 5 เปลี่ยนชื่อสำนักนายกกระทรวงหรือกรมต้องตราเป 6 ข้อ กไก่ครับเลขาธิการนายกข้อ 7 ตั้งยุบเปลี่ยนข้อ 8 จัดตั้งยุบหรือเปลี่ยนข้อ 9 ข้อใดไม่จัดอยู่ใน ถ้าตำบลที่ถือไม่ใช่นะข้อที่ 10 ส่วนราชการตามข้อใดไม่ได้ 11 กระทรวงทบวงส่วน 20 กระทรวง 12 หน่วยงานตามข้อใด อำเภอไม่เป็นนิติบุคคลนะครับขอไข่ 13 กรุงเทพมหานครสังกัดกระทรวงมหาดไทย 14 ยิ่งลักษณ์เป็นนายกคน 60 15 ยิ่งลักษณ์ 28 ของประเทศ 2 ข้อ กระทรายงานเอา 2 ข้อบังอ่ะเคยดูกฎหมายเกี่ยวป้องกันการฆ่าครับใครได้สอบฝึกครูมา <c oughs> ระเบียบข้าราชการประเคน 2551 บางคนอาจจะสงสัยว่าเหตุ ครูผู้ช่วยนะครับผู้ปฏิบัติงานทางสารองหมอเกียรติพลเกษตรสุขภาพเทศกลุ่มไหนเค้ามีใบประกอบวิชาชีพกลุ่มที่มีใบประกอบวิชาชีพเค้าจะมี ครับกฎหมาย 4 ก็ไม่ให้เกินเที่ยง 15:00 น. ครับๆท่าน ร่วมทําสื่อผมด้วยนะครับคือผมไม่ได้ถ้า พักท่านมาทํางานที่กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับรัฐศาสตร์สิ่งที่ ฉบับที่ 3 ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี่แหละครับนี่คือกฎ กฎหมายที่ กกส. ให้เราไปขอใช้ตำแหน่งกระท่อมกระทรวงโอเคครับนะอาจารย์เคยเรียนแต่ช้าแล้วว่าถ้าหากว่าใครอยากเก่งเรื่องครับประเด็นที่ควรทราบคือ 1 จะต้องรู้ของกฎหมายเฉพาะด้านให้ดีประเด็นที่ 2 จะต้องรู้จัก 4 ต้อง นั่นนั้นเป็นเนื้อโทบกบัญญัติบางคนจะเห็นกฎหมายแล้วมันวินเพราะอะไรครับพวกสั่งเพราะเราไม่ได้บาง 1 ตัว 10 ฉบับครับพิจารณาพอ 72 ขึ้นมา กฎหมาย 4 รูปแบบที่อาจารย์จะคุยในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคนที่ออกข้อสอบอยู่ในระดับเกณฑ์พื้นฐานการ ทั้งความจําทั้งความวันเดือนปีเกิดวันหน้าที่ 72 ครับกฎหมาย 3 ฉบับนี้ครับผมพระราชพระราชการศึกษาธิการ 2542 เห็นมั้ยครับหน้าที่ 72 แต่ไฮไลท์ในบท 3 นะครับนี่เราเค้าเรียกว่า พ.ร.บ. การศึกษาคือจากรัฐธรรมนูญฉบับถ้ายังไม่เจอคนโบราณออกอีกครับเค้าก็ที่เท่าไหร่มันเกิดจากมาตราที่ นะ. 81 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 40 รุ่นไม่ใช่เกิดจากฉบับนี้ แค่ 3 ครั้งแล้วครับผมครั้ง 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 แต่ที่น่าสนใจครับ 3 อีกเลยครับแล้ว ระเบียบพนักงานราชการ 2 ครับที่มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชาที่ครับคือ 3 ครับกฎหมาย 3 ฉบับนี้ครับแก้ 3 ฉบับนี้ 3 ฉบับ ตอบแบบแรกอาจารย์จะบอกว่ามันเกิด คนที่สนองพระบรมราชโองการของพระราชกิจก็คือนายกรัฐมนตรีของปีนั้นเช่น พ.ร.บ. การสายธาตุ 1 คือคุณชวนหลีกไพบูลย์เป็นนายก พ.ศ. 2 นั้นเป็นคนรับสนองพระบรมราชโองการถ้าปี จะว่า พรบ. การศึกษาสมัยจะออกฉบับที่ 1 ถ้าเขาถามว่าใครเป็นคนรักษากฎหมาย 3 ฉบับ 3 ฉบับนะทําไมไม่คุย 73 ครับไปดู กฎหมายทั้งหมดนี้ท่านจะ 2542 ซึ่งเป็น 14 สิงหาคมปี บางบางแห่งอาจจะออกข้อสอบให้ไว้นะอันเดียวกันนะครับแล้วพระธรรมไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 บังคับ ที่ผมทําตัวศึกษาไปแล้วไปดูพระราชบัญญัติระเบียบ ถ้าเขาถามว่าพระราชบัญญัติระเบียบว่าด้วยการเครดิตทรงสรรค์การแก้ไขในฉบับที่เท่าไหร่แล้วคงตอบได้ถ้าเขา จำนวนกรรมการ 3 ฉบับที่น่าออกมีนะท่านไปดูพระราชจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับดูดูดูข้างล่างลงอง อง. องององ 4 องค์คณะบุคคลท่านยิน 1 ประธานสภาการศึกษา 2 คณะ สาธารณการการธรรมศึกษาศิลปะการอ่าธีวะศึกษาแต่นี่คนจํา 5 ข้อสอบถาม แล้วประโยค ก. ไก่กับข้อ บ. ไข่เธอสอบได้กรณีที่ไปทํางานที่ <10, 10. S 1> 15 คนเมื่อจากพลัญจิตรโรงเรียนเอกชน 2550 ได้ถ้าหากว่าเขตพื้นที่การศึกษาใดที่ดูแลโรงเรียนเอกชนให้มีคณะกรรมการเพิ่ม โดยเรียกคือพยายามที่จะให้นะครับว่าครับแต่ถ้าเธอไปเรียนเพราะรับคือจะรู้ครับทีนี้ น่าอ่านช้ําทุกวันทุกวันนะครับนะอ่าท่องทุกวันมันก็จะได้เองมันร้องเพลงมั้ยครับเหมือนจากปากทางมา จากปากช่องสวัสดีท่านไทยผู้ที่ก็ได้งั้นน่ะคนจะต้องเล่นมาทุกมี มันมีทดสอบครั้งที่แล้วมันสอบผู้บริหาร แต่อยู่ในคนออกข้อ 15 คนถ้าใครเก่งจริง 17 คนโอเคจดไว้ 17 มัธยม 15 คณะกรรมการสถานศึกษาคณะฐานครับแซให้รู้ถึงแม้ว่าเธอไม่ได้ไปทํางานคน 9 คนเค้าว่า 300 คน, <S <S คน> ไม่เกิน 300 คนเดี๋ยวบอก 300 คนลงมาครับสถานศึกษาคณะใจจํานวนนัก 300 คนให้มีคณะกรรมการ 15 ครับข้อชชิงครับผมไม่ นักนิเทศการศึกษาของเขตศึกษาเค้าเรียกว่ากตปนคน 9 คนไปดูอีกกฎหมายฉบับนึงเป็นกฎหมายว่าการงานบุคคลคณะอุดมการณ์ที่คนทราบอาจารย์สังเคราะห์ให้รู้ก่อนนะเพื่อที่จะเข้าไปตัวในกฎ ขอจุดคอจุดสสุดยอดอาจารย์อะไรคณะกรรมการค่าราชการครู 1 ชุดแล้วค่าราชการคนใครไว้อ่าน นี่การที่เราบอกว่าเท่าไหร่มันมี 53 แล้วคณะกรรมการชุดหนึ่งก็คือคณะอนุกรรมการมีคําว่าอนุนะน้อยเล็ก กรรมการหน่อยฮะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการประจำมีคําว่าประจําด้วยครับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไม่ 10 คนคณะอนุกรรมการ มีตำรวจจักคนครับอันนี้คืออาจารย์จะสังเคราะห์ มันเคยเป็นข้อสอบนะมันเคยเป็นข้อสอบอ่ะเธอดูซิว่าคณะการเถิดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีกี่คน 17 คนประถมศึกษากตปนมีกี่คนรวมเป็น ก็เลยเล่นนั้นถ้าเค้าเล่นกับคุณนะ อ่านี่แหละครับพี่นี่ครับผมเนี่ยแหละเอาครับต้อง 3 มันรวมทั้งหมดกี่ที่ 30 ที่เดิมมันมีคนมาเป็นกรรมการทั้ง 3 34 พอมันซ้ํากันอยู่ 2 คณะกรรมการมันซ้ํากัน 2 ตัวเลยผมเลยมาเตือนคุณเพื่อเค้าจะมา บัดนี้จะนำสิ่งที่บททราบอยู่ในกฎหมายทั้งสาร เป็นอย่างไรยังไงถ้าจะดูครูนะครับความหมายของข้อที่ 3 ข้าราชการ ครูบรรยาจารย์ที่มีหน้าที่อยู่ 2 หน้าที่แตกต่างกันอยู่ที่ในสถานศึกษาของอะไรเท่านั้นเองครับผมของรัฐเท่านั้นเองนี่คือฆาตราชการครูเพราะฉะนั้นข้ออะไรคือความหมายของคําว่าครูบุคลากรบรรยาจารย์ต้องมีหน้าที่ไม่มี ถ้าออกมาออกมาไปดูกับอาจารย์คณาจารย์ไม่มีคําว่าวิชาชีพครับผมเพราะฉะนั้นคณาจารย์ไม่มีใบญาติประกอบวิชาชีพคณาจารย์มีหน้าที่อยู่ 2 หน้าที่คือ ไม่ใช่คณาจารย์ครับปวสจะเป็นครูเพราะปวสเป็นอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาเรียนดูการศึกษากันประธานอันนี้อาจารย์ทีละออก การศึกษาการศึกษาฐานหมายถึงการศึกษาก่อนระดับอุตสาหกรรมกับภูมิภูมิหน่อยข้อคือความหมายของการศึกษาขั้นฐานคือการศึกษาก่อนระดับอุตสาหกรรมพชรปวชหรือปวสลงมาจนกระทั่งปวชหรือ ม. ม6 อุดมศึกษาตั้งแต่ปวสนะครับโดยระบบปวสก็เรียกว่าอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็เรียกว่าอุดมศึกษาระดับปริญญาปริญญาถัดไปโอเคมั้ยงั้นถ้าข้อสอบถามว่าข้อใดคือความหมายของการศึกษาคำถามตอบเลยว่าการศึกษา ผมเข้าใจเด้อสําหรับคนที่ไม่เคยสอบครับอาจจะเป็นของใหม่นะครับผมแต่ 17 ใครเป็นผู้สอนผู้สอน คนผู้สอนมีอยู่ 2 คนคือครูและก็อาจารย์อย่าไปตอบผู้บริหาร 3 ผู้ผู้ได้นั้นคือผู้บริหารจำไว้ท่านบอกให้เป็นบุคลากรทางการศึกษาคือผู้บริหารการศึกษาคือท่าน ผอ. เดือนนี่ครับโดยรอง ผอ. เกณฑ์ พูดสรรณคมการศึกษาเธอสอบวันนี้บุคลากรทางการศึกษาใช่ไม่เพราะครูเป็นครูสอนคณาจารย์เป็นบุคลากรทางการ พอถามว่าเธอไม่รู้จุดนี้เธอบอกว่าคงก็ผู้รับทางการศึกษาใช่มั้ยโอเคโอเคอืมไม่เป็นครับแสดงว่าปัญหาตรงนี้นะ ภาพไอ้เธอตัวแดงหรือเหมือนอย่างนั้นเหมือนพวก 9 ของการศึกษาคณฐานการศึกษาคณฐานจนถึงชั้นไหนครับผม ม. ต้นหรือ ป. วช. ก็เรียกการศึกษาคณฐานแต่การ 1 จนถึง 3 แต่ความ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ได้บ่ เด็กที่อยู่ในการศึกษาภาพครับการศึกษาภาพครับหรือเป็นสิทธิ์หรือเป็นเสรีภาพเป็น 1,000 บาทครับผู้ 1,000 บาทเพราะมัน ถึงยากเข้าปีที่ 26 ยากเข้าปีที่ 7 ปีที่ 16 ยกเว้น 9 ไม่ต้องๆครับจะอยู่ตั้งแต่ปีที่ 7 แล้วผม ยุคเวร 42 ได้ตั้งแต่ปี 9 นั่นหมายความว่าเช่นเด็กชายเจระอายุ 18 ปีเรียนอยู่ชั้น ป. 5 ผมไม่มาเรียนได้หรอครับ 18 ปีได้ครับผมพ้นเกณฑ์ครับครับผมคือไม่ว่าผมไม่จบ เด็ก พศ. ใดจะเข้าเรียนการศึกษาบ้างลบครับ 87 เลยครับผมครับยืม 5 มาเปเป 10 เป็นครับ ห้าโดนดึงไปแล้วเหลืออีก 4 4 เหลือ 4 เหลือ 0 ลบ 7 ลบออกนะครับอันถ้าถ้าเขาถามว่าเกิดปีนี้จะเรียนปี มีฟรีดิมระยะเวลานะ 7 ปี 8 ปีมันมันจะเลื่อนมันไป 7 ตัวเข้าใจมั้ยเนี่ยครับแล้วโอเคครับเอาจริงครับ หน้าที่ 78 ครับเอาแพ้แล้วนะบัดนี้เมื่อกี้เล่าคือ พ.ร.บ. เพราะฉะนั้นเรามีการปฏิรูปการศึกษาที่เป็นครครคร 2542 <24 2. S 1> <24 2. S 2> ครับ 2542 เป็นการปฏิรูปการศึกษาปีคร 42 เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิด นโยบายการนี้เป็นการปฏิรูปการศึกษารอบที่คร 2 ครับซึ่งเป็นประเด็นฮอต issue ศตวรรษของการปฏิรูปการศึกษารอบ 1 ก่อนเอ่อ 1 ไว้เลยครับ กจ. การปฏิรูป 1 เริ่ม 10 ปีทศวรรษ 10 หมายแปลว่า 1 42 ถึง 51 นะครับทีนี้ในหน้า 25 ก็จะเป็นการปฏิรูปการศึกษาใน 2 ครับนั่นคือปี 2552 ถึง 2, 2, 2 มี<า> ให้ระบอบข้อสอบครับท่านเขียนไว้ด้วยครับหน้า 425 ข้อที่ 1 รอบ 2 ปี 52.61 วิสัยทัศน์การพัฒนาสาระของภายในปี 61 คนไทยได้ ภาคอีสานจัดที่มหาสมุทรมหาสารคามภูมิภาคอีสานภาคอีสานเป็น เสร็จแล้วการประชุมนะครับ pairing ครับเป็นครั้งที่ 61 ภาคอีสานเจ้าพัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพภาคเหนือจังหวัดพิจิตรเป็น เรื่องละไปเร 28 ท่านครับเพราะว่าเจอกับพระราชทานปริญญาบัตรพอดีนะครับพอเรื่องก็เลยต่อแล้วก็ภาคกลางภาคสวรรค์ออกจัด ยอดเด็กไทย 9 ไกลใน 9 ไกลในอาเซียนเนี่ยเบรดจะมาดูรูปการ 2 คือ อืมเป็นหน้าตัวนี้เป็นที่นะครับจะเป็นขวดมาย่างได้จริงๆเรียนงานที่ต้องบังพระเจ้าอรโยนเนี่ยดู 3 เป้าหมายในการเป็นรัฐคันนี้ครับมีอยู่ 2 คุณภาพโอกาสมีส่วนร่วม 3 ถามได้ท่านเปิดเอกสารว่า 3D คืออะไร<ด> 33 ครับหน้า 33 สถาน 3D นี่ออกข้อสอบแน่ๆแล้วถึง 3D เพื่อให้ 3 ด้านดีที่ 1 เขาเรียกว่าด้านประชาธิปไตยดี 2 คือดี 3 คือรัก 3 ดี ดูดูดีนะดีดีอะไรดีอะไรครับครับดีอะไรมี 3 อย่างนะครับสัญลักษณ์นะครับดีโมเครซีนี่ ปรึกษาทางสายข้างเราครับท่านครับหน้า 178 พอรู้นะครับคือถ้าครับ แต่ถ้าอาจารย์จะคุยแล้วคุณม่วงนะครับมันไปไม่ได้หรอกครับอ่ะนะหลับหลอมตื่นอื่นเพราะฉะนั้นคุณนั่งฟัง นั่นพอหมายถึงอะไรเลยจากในระบบเองมันจะออกมาอย่างงี้ครับผมนะเพราะท่าน ไม่ทันข้อสอบด้วยนี่ไปดูพรบการสายธาตุแก้ไขถึงจริงฉบับแล้วครับผมมีกี่มาตราครับมีทั้งหมด 9 บท 78 มาตราแต่เป็นมาตรานั้นแต่รวมก็จะเหมาะคุณหรือเปล่า 9 บท 78 มาตราโซน 1 ไม่ต้องพยายาม 78 มาตรา หมวดที่ควรทราบอยู่ในกรณีนี้หมวดผมรับหมวดที่ 1 หมวดที่ 2 หมวด 3 หมวด 5 เหมือน 9 โดยเฉพาะแท็บเล็ตมันจะเป็นหมวดที่เท่าไหร่ครับ 79 นี่ความหมายได้อาจารย์ศิรัก ถ้ามีหม 80 หมวด 1 ครับผมกฎหมายฉบับหมมา 6 มาตรา 8 ครับผมผมขอ เพราะฉะนั้นคนไทยเรายังไม่ได้เป็นมนุษย์เก่งดีมีสุนและมีความไทยก็ได้เก่งดีมีสุนนั่นคือความ แล้วการที่จะให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามความถูกหมายข้ออะไรขอโทษเจ้าการนะครับนะข้อกข้อขบอกว่าเป็นการศึกษาต่อชีวิตสําหรับประชา มองก็ไว้หน่อยวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับมาตราคือนับถึงวัน จะแสดงว่าออกไปไม่ได้ไม่ชีอยู่เหมือนเยอะอืมประมาณกันแค่ที่ถ้ากันนะก็ได้เหมือนก็ยังมีครับก็ฟังบ้านสามีแฟนพ่อแม่ไม่เป็นบังคับเหมือนอาจารย์จะคนประมาณครับนะ เมนูบทที่คร 2 ครับหน้าสิทธิและหน้าที่ทางที่เราจะได้รับตามรัฐธรรมนูญเมื่อ 49 สิทธินั่นคือรัฐจะ รัฐชดชานะครับคืออย่างนี้เอาเดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้รัฐบาลอุดหนุนปี 15 15 ต้องพูดถึงต้องมีคุณภาพจะสอนอยู่โรงโรงจะสอนอยู่โรงเรียนในบ้าน 15 ปีแล้วณตอนนี้อย่าไปตอบว่าไปน้อยกว่า 15 ปีอย่าไปตอบอะไรครับ 15 น. นอนอน ล, 3 ปี ป. ครับระดับ ป. 3 ปีนึงต่อคนก็ได้ 1,700 ปฐมศึกษาปีนึงเดี๋ยวมี แล้วโรงเรียนขนาดไหนครับโรงเรียนขนาด 24 คนเนี้ยจริงมี 24 คนแต่กันบางมีอยู่คนชั้นประถม 22 คนเอาเงินกดุนรายหัวมาก่อนประถมสา 2 3,400 ในในอีก 20 คนครับได้ 30,800 ใช่มั้ยครับผมเนี่ยเอาเงินที่ไหนมา 120 <น>คนประมาณนี้ระดับประถมศึกษาให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาทครับผมมัธยม 300 ประมาณครับ 1,000 บาทมัธยม 1,000 โอเคนะครับนะ 14 ท่านดูนะครับ ไม่รู้เขาจะออกแล้วออกแต่หน้าออดเพราะคือไม 5 5 รายการนี้เพื่อคนที่ทิ้งรัฐบาลชุดนี้ <ข>ครับ 3 เดือนครับพอที่<ใช> 1 โอเคงั้นมาพูดหน่อยเนาะรายการที่ อย่าบางครั้งคนอยากออกข้อนะครับนะว่าเค้ามีเรียนฟรีเรียนดีกี่คุณภาพคุณภาพทั้งเสริมคุณภาพคุณภาพผู้เรียน เอ่อบางครั้งคน อพส. ก็ดูจะหงมกระแสกันหรือเปล่าเพราะสมัยคุณอภิสิทธิ์เค้า คือพบความพิการครับคนพิการมีอยู่ 9 ประเภทคนพิการมีอยู่ 9 ประเภทนะครับผมเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี อาจารย์ถ้าใครอยากเรียนฟรี ในระบบการศึกษาระบบการตามดูภาษาอังกฤษด้วยนะว่า informal ไม่ใช่การศึกษาในระบบครับไม่ใช่ informal education เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบ In formal education เป นอโนบืนนอนฟอร์มอลเอ็ดดูเคชั่นตามอัญญาสัยคืออินฟอร์มอลเอ็ดดูเคชั่นสถานศึกษาครับจัดได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้ง ประมาณหมดนี้ครับผมว่าจะเป็นข้อขอบพระคุณครับขอบพระกันหน่วยการศึกษาในระบบจะตามกันกับที่มีคําว่าจุดมุ่งหมายวิธีการหลักการศึกษาการบรรลุ บ่มเพาะพัฒนาแน่นอนแต่ถ้าหาว่านอกของจุดปลายวิธีการหรือเจ้าเวลาครับยึดอยู่ในครับผมแล้วตามอัยศัยการศึกษาตามคนประสบการณ์สภาพแวดล้อมให้ได้เรียนรู้ด้วย ไปดูข้อ 5 ไป 6 และ 9 เมื่อกี้นี้อาจารย์จะบอกว่าการศึกษารูปแบบการจัด 3 รูปแบบในนอกตามอัธยาศัย พื้นฐานถ้าสาขาทั้งนั้นก็ระดับระดับครับคือระดับขั้นพื้นฐานและ ท่านระดับศึกษาระดับคือก่อนประถมประถมและมัธยมข้อที่ 9 อุดม 2 ครับอุดมแบ่งได้ 5 6 9 ส่วน 788 ไป จบไปดูหมวดที่ 5 นี่ครับก็เกิดจากตรงเนี้ยการ อย่าเป็นคนถามหาเอา 2 หาวเอานะหาวแล้วบางทีตรงเธออย่าไปอมหาว พระดูกานประเภทการ 3 ประเภท 1 การมหาลัยและการจัดการศึกษาของรัฐหน้า เพราะฉะนั้นอาจารย์จะจะมาคุยในเรื่องของการปัญหา 1 เค้าบอกว่าให้กระทรวงศึกษาธิการนั้นมีอำนาจในการเพ 2 นี่ครับ ใครจัดประเด็นปัญหาอะไรกันไอ้สงมีองค์กรหลักที่เป็นองค์คณะบุคคลในคน 59 คนจริงๆนะครับผม 5 ข้อ อะไรนะก็เน้นท่าน 2 เน้น 2 ส. 2 อันเรียน เดี๋ยวนี้ไม่มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมสายเกียรติครับผม 1837 ผม เห็นสมมุติว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาถ้าเค้าสอบถามว่าใครมีหน้าที่ประกาศต้องผมรัฐมนตรีจํานวนครับถ้าเค้าสอบถามว่าประเทศไทยมีเขตพื้นที่การสํานัก มีอยู่ 275 เขตพื้นที่การศึกษานั่นคือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับ 8 นะบริเวณหมู่ที่สํานักงานเกษตรพื้นที่เขตสํานักงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ถ้าจะเขียนอักษรย่อได้ สพป. ชย.1 ไม่มีคําว่าเขตใช่มั้ยครับตรงย่อ เคลียร์ผ่านไปกลับขึ้นมาหน้าแฟลชแม่งครับผมนี่แน่ๆสามีกี่เขตใครๆก็ตอบได้ว่าเป็นแต่เขาจะตอบผิดคือ 183 เขต ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 2 เรียน ข้อ 18 ลงลงไปหน่อยครับมีโอกาสงานนี้เค้าบอกว่าให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการสา 4 ด้านมีอะไรบ้างมนุษยการเอารวมหมายขบวนงานที่เคียร์ได้อยู่ที่โรงการเงิน ประทัดข้อใดไม่ใช่นี่ล่ะจะรองเพราะอะไร 4 ด้านเพราะอะไรไม่ให้ไม่มีข้อใดผิดนะครับใจทั้งหมดผ่านแล้วครับผมผ่าน มาตรฐานและการดำเนินการคุณภาพการศึกษาครับดูข้อที่ 3 ครับระบบระบบคือระบบการประกันคุณภาพภาย โดยมีการประเมินทุกๆ Assessment Report สถานศึกษาต้องประเมินตัวเองทุกๆปีแล้วๆ 3 บาทอันนี้คือเป็นระบบการประกันคุณภาพภายในในข้อที่ 7 ให้ระวังหน่อยครับระบบการประกันคุณภาพภายนอกให้ การประเมินคุณภาพการศึกษาระหว่างและประกันคุณภาพการศึกษานะครับเมื่อ<ไม> 3 เถียงหน่อยครับผ่านมาแล้ว 2, 2 รอบที่ 3 การประเมินภายนอก 3 เริ่มปี 54 58 นะ เพราะฉะนั้น สมศ. 1 ครั้งๆ5 ปี 5 ปีเอาแค่นี้พอไม่ต้องอะไรหรือโคนะ สมศ. จะมาจากครับ ส่วนถ้าเตรียมไม่คุยกันแล้วนี่คือ พรบ. การศึกษาส่วนข้อสอบเคยจะไปแต่เดี๋ยวไม่ไปกินนะครับเปิดที่ 97 ครับกฎหมายการ 2 อาจารย์จะจะคุยคือ พรบ. การศึกษา 3 ฉบับมีทั้งหมด 9 หมวด 78 มาตรานะ ปฏิภาณมาแล้วหวังว่าสิ่งที่อาจารย์จะให้คือถี่วินข้อหมายบท ประเทศไทยครับพระราชจักรปกครองกระทรวงบรมได้บัญญัติให้มีสํานัก 20 กระทรวงกระทรวง 18 ผมไม่ออกนะครับไม่เคยออกทดสอบครับว่าเป็นกระทรวงที่ 18 และเป็นกระทรวง ที่อยู่ในพระราชจัดปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเค้าไม่ได้บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการมีจบ ไปดูหน้า 98 ข้อ 3 ลักษณะครับ 3 ลักษณะคือส่วนงานผล กระทรวงเราก็มาจัดอยู่ในกระทรวงเราอีกได้ที่ ประธานถามอวสก็ถามว่าเรา 2 ประเภท 3 สถาน ระวังให้กัดนะครับอ่านคําว่าขอรับสัตยาบัตรปริญญาออกทั้งข้อใดไม่เป็นการจัดระเบียบบริหารกิจการของกระทรวงสายการเอาแล้วส่วนการเกียรติพื้นที่รู้ไม่สรรพรรษา และถ้าตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศเราจะครับผมต้องคุยกันต่อเปิด แล้วก็มีสุลกากรที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลว่าการส่ง 6 ตัวกระทรวงศึกษาธิการครับอยู่ ส่วนงานของกระทรวงสาธารณสุข 6 ส่วนราชการ 1 สำนักอธิบดี 2 สำนักปลัดกระทรวง 3 สำนักเลขาธิการสภาการ 6 สำนัก 6 ส่วนราชการ ส่วนละกันในที่ไม่มีธนรัตน์กรมดูว่าสอบเรียนนี้ อาวุธของท่านท่านเป็นกรรมการเราเป็นกรรมการสสเราก็ได้เราคนเป็นบัญชีอะไรครับผมจินตภัทรภูมิรักเทราฮะคุณจินตภัทรภูมิรัก 2 ของคณะศิลปศาสตร์มา บ่บ่บ่บ่เข้าใจท่านนั้นบ่เข้าใจเจ้า รุ่นพี่เป็นหนึ่งในพบส่วนรายการผ่านมั้ยไปดูส่วนราย 4 ครับ สพท. ของเราๆนึงครับอยู่ทั้ง 5 กรมเป็นส่วนรายครับอยู่ 6 ส่วนรายการเพราะอะไรครับ 6 พบ สภท. ของเรานะครับจะแบ่งเคยเป็นข้อสอบของครูมาแล้วนั่นเอง สภท. ครับได้แบ่ง มีภารกิจจัดและส่งเสริมการศึกษาท่านนั้นโรงเรียนสังกัด สพฐ. เรา สอนแล้วก็ทําเป็นให้เค้าไม่เรียนไม่จบหลักอยู่กับอาชีวะ ผู้บังคับประชารองลงมาให้คุณสอบเลขาผู้บังคับ เหนือขึ้นไปอีกชั้นนึงก็คือรถเทศวัคการสื่อสาร ก่อนมาจะไล่ระบวมา 3 สเต็ปเลยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมาเป็นเลขามาเป็นเลขาก็ 2 เค้าเรียกว่าจัดระเบียบบริหารราชการเขต ข้อที่ 5 บอกตรงไว้หน่อยครับให้จัดระเบียบบริหารได้ 2 ลักษณะคือ 1 ให้มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2 ให้มีสถานศึกษาทั้งพื้นฐานครับเพราะฉะนั้นผ่านครับผ่าน ไปเปิดหน้า 104 ครับเพราะฉะนั้น ส่วนราชการภายเขตพื้นที่การสามัคคีมสามี 4 กลุ่ม 7 กลุ่มมัธยงจะไม่มีอะไรครับผมส่งเสริมศรัทธาศึกษาอีกจนไม่มีครับท่านเสริมเมื่อกี้เขียนไปหน่อยอยู่กลุ่มอํานวยการนักจัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 13 นักวิชาการศึกษากลุ่ม 4 กับกลุ่ม 8 นะครับการเงินการเงินอยู่ที่ 66 นัก ตรวจสอบคันนี้ก็ต้องทําหน่วยได้สอบไปนะครับหน่วยสอบไป ประมาณว่าเราจะสอบประยุกต์กลุ่มไหนครับสอบได้ครับภาวนาว่าหรือว่าอยู่กลุ่มหมายงานบุคคลกลุ่มนโยบายและแผนคือกลุ่มของนักศึกษาการศึกษาครับนะ เพราะนั้นคณะเที่ยงขึ้นครับท่านโรงแรมนะๆไงว่าโอเค 2, 2> คําคือปฏิบัติราชการแทนกับรักษาราชการครับ การผ clic วั blue zeker ดีนาทิติธานาทิย aplians การมอบอำนาจให้คนอื่นคนอื่นผ tack บ ผู้t �มอ Off อ Blair ยังสามารถ spons B ik lithium อ ex b Sprimon ก็อ passe ที่กล้อ puc มีงานต้องรับมิจอบอยู่ที่งานมัน เย้•ว ไห Log ตันเพลักที่ дней มีกระเธอรีบหลาย มีator ผอ. โอเคถ้ารองจรัญปฏิบัติหน้าที่แทนในเรื่องของการลาสมมุตินะครับนะสมมุติว่าท่านไป<อ> นั่นความหมายของการปฏิบัติการแทนกันได้เหมือนใช่มั้ยการมอบ มีดูคำอีกคำคำนึงนะครับผมในหน้าที่ 107 นั่นเค้าเรียกว่าการรักษาราชการเช่นท่าน วันนั้นครับไม่ได้มาทํางานอาจจะไปราชการอาจจะลาครับคนที่ขึ้นมาทําแทนนี้เค้ารักษาราชการแทนหรือสํารณการเขตพื้นงาน 4 หน้า 8 ข้อที่ 4 กรณีที่ผู้บริหารสํานักงานโดยอนุมัติโดยอัตโนมัติเลยถ้ามีคนเดียว จะทำอย่างไรดีหน่อยครับถ้ามีรองหลายงั้นก็เลยครับ 2 เสริมญาติตําแหน่งฉันก็อยากเป็นใหญ่ 3 ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองครับถ้าเกิดนั้น แต่ผู้ดํารงตําแหน่งรองไม่สามารถปฏิบัติการได้จะทํายังไงก็ให้เลขาธิการคณะกลางการศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษาข้า รอง ผอ. เขต 13 34 คนไปราชการหมดอย่างเงี้ยปองผมผู้อํานวยการ ภายในระเบียบการแทนใช้ไหนองค์ทราบรักษาและการแทนใช้กรณีไหนองค์ทราบนะครับนะถึงที่พลทราบน่าจะ 100 ครับ 119 ปีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 สิ่งที่ครับผมท่าน ซึ่งเป็นโครงสร้างของกระทรวงการศึกษาท่านเปิดเอกสารกลับคืนมานิดนึงนะครับหน้าที่ 917 นะครับผมนี่แหละครับพอแล้ว หกส่วนราชการ 6 ส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมฎีกาส่วนราชการใดที่ไม่มีฐานะเป็นกรมนายก โดยว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครับผมแล้วก็การปฏิบัติการในรักษาการแทนนะครับผมอ้าวเดี๋ยวนึง ใครมีองค์คณะบุคคลอยู่ในลูกกรรมการเข้าใจครับอยู่ 4 องค์องค์แรกคือสํานักงานเลขาธิการสภาการ 3 มีกรรมการ สวท. สอสร. สก. เคยสอบเคยถามแล้วว่าแล้วเราจะพูดกฎหมายต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนคือว่าสำกัดครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอยู่สำนักงานปลัดกระทรวงครับบาง มาม่าท่านคงจะเข้าใจนะครับอาจารย์จะให้ท่านแบบรัธนฐานอยู่ในช่วงรัธนฐานเสร็จแล้วให้ท่านลงมาทําแบบทดสอบนะครับ